ไม่พ้นต้องทนทาไปสองประคุณการุณให้เรามาแพ้วันนี้ท่านยังเลี้ยวแล่พ่อแม่ไม่ห่างไปไกลเที่ยววนมาจองท่านมามองว่าลูกเป็นไงลูกทำความดีกันไหมสร้างอะไร อดทน คะฮู